أعوذ بالله م نالشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده و ن س ع ي ن ه و ن س ا ق ن س ح ي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيات أعمالنا ما يهده الله فلا مضلله وما يدلله فلا هديله اللهم الح لك الحمد حتى ت َ ر ض, ض ا ولك الحمد إذا رديت ولك الحمد بعد الرضا و ا ل ش ه د لا ا ه لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين والشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق เลยือนิรลตินทั ل งห ولوقلها الكافرون ولقد أدى الأمانة وبلغ الرسالة و ن س ا ل أمة وشاهد في الله قتار فجزاءه الله أ ن وعلمته خير ما جازه النبي عن أمته فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحج حج محمد وشر الأمور محرساتها أما ب ل س ل ا م عليكم ورحمة الله وبركاته ف รับวันนี้พี่สาวของผมคุณเซลมามุบ ตาแหน่งนี้ให้กับใครนะครับผมมาชาอัลลอฮ์บรกอีกุมก็ยิดีต้รบพี่น้องที่รักทุกท่านครับผมเรากลับมาพูดคุยกันต่อในส่วนของทัฟซีซูรออบัลดสุระุลบาลดซเป็นซูรอบทที่90เรียงตามลาดับในคัมภีร์อัลกุรอานครับพี่น้องที่รักยิ่งครับความเต็มตอนที่เราเได้พูดถึงอัลกุรอานที่พวราบอกว่าอัลอบัลลฮบอกวลว่าอ์าอัลลอน พวล้อผูอ้ทรงสูงทรงผู้ทรงนี้ใหญ่หลังจากที่พระองคได้ทรงสาบานด้วยกับเมืองมักกะแล้วพระองค์ก็ได้พูดถึงการสร้างสารรค์ที่พวงสร้างมนุษย์มาแล้วก็ได้บอกว่ามนุษย์นั้นทําไมถึงยังเย่อหยิงจองหองทํำไมเขาถึงคิดว่าสิ่งที่เขาทําไม่มีใครเห็นทําไมเขาถึงไม่รู้หรือว่าพวกล้อนั้นเป็นผู้ที่สร้างเขามาให้มีทั้งดวงตาสองข้างมีมริมฝีปาก2อริมฝีปากมี1ลิ้นครับนั่นคือประเด็นที่เราได้พูดคุยกันไปซึ่งเราก็ได้สรุปแล้วนะครับว่าในเรื่องของลิ้นเนี่ย เป็นตัวแปรสําคัญมากสําหรับมนุษย์ทุกคนเพราะด้วยกับลิ้นนี้อาจจะเป็นเหตุที่ทําให้อลลอรักเรามากบางทีเราพูดอะไรไปเราไม่ทันได้คิดแต่ว่าเป็นคําที่ว่าทําให้อลลอรักเรามากแล้วก็เช่นเดียวกันครับบางทีสิ่งที่เราพูดแล้วเราไม่ทันได้คิดแต่มันทําให้พวก Allah ล้อรังเกียดนะอุสุบิไลมินดาลิกซึ่งลิ้นจึงเป็นตัววัดประเด็นต่อมาครับในอายานันี้อายัที่10นะครับผมพูดแว ก, กว่าว่าฮาไดนาหุนนัชไล แล้วเราได้นําทางเขาสู่นัชเดนนัชแปลว่าอะไรครับผมบางท่านอาจจะคิดว่านัชใช่เมืองนัชหรือเปล่าถ้าเกิดเราเจอคําว่านัชในอัลกุรอานในฮะดิษพี่น้องต้องเข้าใจกันว่าคําว่านัชในสมัยก่อนคําว่านัชในสมัยก่อนจะหมายถึงเนินสูงคือถ้าพูดคำว่านัชปุ๊บจะคิดถึงสถานที่ที่ว่าเป็นเนินสูงก่อน ซึ่งถ้าเกิดในปัจจุบันพอพูดถึงนัชเรามักจะคิดถึงเมืองนัชก็คือเป็นเมืองริยร์หรือวอะไรก็ตามแต่พี่น้องครับเบอร์ลอร์บอกว่าเราได้นําทางเจ้าสู่นัชเดียนไม่ใช่แค่นัชเดียวแต่เป็นสองนัชเลยเราได้นําทางเจ้าสู่นัชทั้งสองคำว่านัชนัชดุนแปลว่าเนินเนินเราก็จินตนาการถึงทางเรียบๆทางราบใช่ไหมครับเนินก็คือทางที่มันจะชันขึ้นไปหน่อยเราได้นําทางเจ้าสู่ทางที่เป็นเนินทั้ง2อเนิน อะไรคือทั้งสองเนินเมื่อเราพูดถึงเนินมันก็เหมือนกับว่ามีที่ราบมันก็มีที่รุ่มที่มันที่ดอนเลยก็ว่ากันไปใช่ไหมเนินที่สูงที่กับที่ต่ําเมื่อพูดถึงคําว่าเราได้นําทางเจ้าสู่เนินทั้งสองนักวิชาการได้มีอถาธิบายความหมายนัดเดนไว้ทั้งหมดเป็น3าทัศนะซึ่งทั้งสาทัศนะสามารถใช้กับอาย่นี้ได้ทั้งหมดเลยอย่างที่เราพูดคุยกันประจําครับในอัลกุรอานสุบานลลอ คำพีของฟูร์ลอร์นี้เป็นคมภีร์ที่ว่าหลายครั้งที่เราจะพบหลายอายะสื่อได้มากกว่าหนึ่งความหมายซึ่งเป็นการสื่อที่ความหมายถูกต้องแล้วก็ไปได้กับบริบทของอายะนั้นนั้นด้วยเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกครับถ้าเกิดเราจะพบว่าอย่างอายะเนี่ยวะฮะเดนาฮุนยะชไดเราได้นําทางเข้าสู่เนินทั้งสองมันจึงไม่แปลกเลยถ้าเกิดเราจะพบว่าเนินทั้งสองนี้สามารถแปลได้มากกว่าหนึ่งความหมาย แปได้มากกว่าถึงความหมายครับผมก่อนจะเข้าถึงความหมายเดี๋ยวขอทักพี่น้องที่รักก่อนนะครับผมมีเริ่มพิมพ์มพสลามมานะครับผมคุณสุนิตานะครับสลามมาก็วันกุมษ์สลามาวมามวระตุลลอห์าบารบารกาตัว น, นะครับแล้วก็พี่สนมาวันนี้ยิ้มอารมณ์ดีเช่นนะครับผมเอาเป็นนักเรียนหน้าห้องดีใจนะครับอลราธรรมดีนะผมก็ดีใจเหมือนกันครับผม คุณบาลีสลามมาครับวัยกุมสรามกตุลอบอัลบราักกาตุแล้วก็คุณยะ ย, ยาครับทัดลาเบียบขาบอกว่าเสียงภาพชัดเจนพร้อมในดูบารักอลาฟีกลุ่มแล้วก็เช่นเดียว ก, กันกับนิสัยด้ยันทูนะครับก็บอกว่านันทวัน10บหนองจอกภาพเสียงชัดเจนอัลฮัมโดลินะครับอัลฮัมเนีลยนะอ่ะเรามาคุยกันต่อตอนนี้ครับภายหลังจากที่พวกเราได้พูดถึงเรื่องราวต่างๆซึ่งเราได้พูดคุยกันไปแล้วซึ่งผมก็ขออนุญาตว่าคงจะไม่ไปเท้าความคืนละเพราะว่าตอนนี้ก็มาถึงตอนที่15แล้วนะครับ ไปต่อเขาว่านัชเดนนะครับเนินทั้งสองเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด3ความหมายด้วยกัน3ความหมายด้วยกันอย่างที่บอกก็คือพวลเราบอกว่าเราได้นําทางเขาก็คือพูดถึงมนุษย์ซึ่งในยั ก, กราญนี้หู้ในที่นี้ก็จะหมายถึงมนุษย์ชาวอาหรับทั้งหลายเพราะว่าคีตอบหรือว่าการสนทนาที่พวกเราสุบฮามต์ราสนทนากับมนุษย์ในช่วงแรกๆ ก, ก็คือตอนที่ท่านอับดุลลาฮ์สันนั้นอยู่ที่นครมักกะซึ่งก็คือสนทนากับชาวกุเรช สนหนากับชาวกุเลชโฟลแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้สร้างเข้ามาให้มี2ตากันนั้นหรือไม่ได้ให้มี2ลงิมฝปากไม่ได้มี2ไม่มี1ลิ้นกันนั้นหรือซึ่งแน่นอนมันครอบคุมมนุษย์ทั้งหมดแต่ตอนนี้คีโตป์หลักๆ ก, ก็จะพูดถึงชาวมักกะโฟลแล้วก็บอกว่าเราไม่ได้นำทางเขาให้เขาได้มีทางเส้นทางที่เป็นเนิน2อเนินกันนั้นหรือเนินในที่นี้คือเนินอะไรครับเนินที่ยังประโยชน์กับชาวมักกะที่สุด ตอนนี้พอว่าพูดถึงสองเนินที่ยังประโยชน์กับชาวมักกะมากที่สุดนั่นก็คือเส้นทางของการทำฮัจจ์เส้นทางของการทําฮัจจ์หลักๆครับคนในยุคอดีตครับเวลาจะไปทำฮัจจ์เนี่ยหลักๆเขาจะมีการใช้ทั้งหมด2เส้นทางอันนี้คือยุคสมัยก่อนท่านอบับดุลสลัมตั้งแต่ยุคสมัยของนบีอิบรอฮิมอย่างที่เราทราบกันก็คือก็มีคนเริ่มมาทำฮัจจ์ที่นครมักกะแล้วเจอทั่งยุคของนบี อิบราฮิมหลังจากอิบรอฮิมก็มีอิสมาอินยุคของอิสมาอินต่อให้เป็นยุคของนบีมูซาหรือว่าอะไรก็ตามแต่ซึ่งอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปแล้วว่าชาวยูรู้กันดีว่าที่นครมารีนาจะเป็นสถานที่ที่นบีคนสุดท้ายนั้นมาอยู่มาใช้เป็นที่พำนักถาวรก็แปลว่าก็มีการมาซึ่งการที่มันเป็นเส้นทางทำฮัทเนี่ยเป็นประโยชน์อะไรกับชาวมักกะครับมันคือความมั่งคั่งเพราะอย่างชาวกูเรสือว่าเป็นผู้คลอง กุญแจของประตูกาบาหมายคือว่าใครก็ตามถ้าเกิดจะเป็นพ่อค้าจะมาทําธุรกิจเพราะว่ามันเป็นศูนย์การของการสแสวงบุญอย่าลืมว่าถึงขั้นว่ากษัตริย์อับเบรอฮะอยากจะถล่มมะกาเพราะว่าใครๆก็ามากันเยอะผู้คนหลั่งไหลกันมามาแม้แต่กระทั่งว่าไปจะถึงอิรับไปจนถึงอิหร่านในปัจจุบันนั่ น, นะครับผมไปจนถึงตรง น, นั้นก็คือก็เดินทางมาเพื่อแสวงบุญ จะขึ้นเหนือไปไกลขนาดไห้จะไปถึงทะเลดำจะไปถึงตรงไหนก็ตามแต่ก็คือมีผู้คนที่ว่าถึงเวลาปุ๊บแต่ละปีต้องมาสแสวงบุญถ้ามาสแสวงบุญมันก็คืออีกมุมมองหนึ่งก็คือมันเป็นเม็ดเงินจำนวนมหาศาลซึ่งก็ใครได้ประโยชน์ครับชาวมักกะพวกล็อกก็บอกครับว่าแล้วเราไม่ได้นำทางเขาสู่เนินทั้งสองกระนั้นหรือเนินทั้งสองมีเนินอะไรบ้างครับอันนี้ก็ในอดีตนะครับเนินที่ว่า เป็นเส้นทางหลักที่มาเม ก, กะจะมีเนินตอนบนกับเนินตอนล่างเนินตอนบนนี่จะถูกเรียกว่าเป็นนชนั่นะอลเป็นหนทางที่ว่าชาวรียดที่ว่าที่อยู่ที่ว่าช่วงของเรียดก็คือไปทางตะวันออกของเม ก, กะจะใช้ในการเดินทางมาเพื่อที่ว่าจะเข้าสู่นครเม ก, กะพูดอย่างนี้คงจะไม่เห็นภาพใช่ไหมครับผมคิดว่าก็คงไม่น่าจะมีใครเห็นภาพง่ายๆนะครับผม เพื่อนรูปเส้นทางเนี่ยผมหาไม่เจอแต่ว่ามีรูปในอดีตครับผมอันนี้จะเป็นรูปเส้นทางของคนทำฮัตชื่อว่ายุคที่แบบว่าพอจะมีกล้องถ่ายรูปกล้องขาวดําแล้วแล้วก็เขาตั้งถ่ายรูปไว้ในอดีตการนานมาแล้วนะครับนานแค่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้แต่ว่าเนี่ยคือกลุ่มชาวฮุชชะที่ว่ามาจากใช้เส้นริยารเพื่อเข้ามาที่นครมักกะก็คือซูพานล้อ น, นี้น่าจะเป็นรุ่นรุ่น ปูหรือว่าอาจจะ ก, ก่อนปู่เราก็ว่าเราออาลัมนะครับผมเป็นการเดินทางมาอันนี้ก็เป็นนัดอาลาส่วนนัดอดเดนาครับก็ส่วนใหญ่ก็คือเป็นเส้นทางตั้งแต่ใช้มาตั้งแต่กูฟาตั้งแต่อิรักอิหร่านอะไรก็คือเดินทางมาแล้วก็เข้ามาส่วนใหญ่มักจะแวะมาดีนะแล้วก็ลงมาที่นครมาักกะอ่ะถ้ารูปอันนี้ผมพอจะมีให้ดูครับผมรูปเล็กไปไม่เอ้ยอ่ะดี๋ยวรูปใหญ่กว่านี้หน่อยอ่ะครับผมถ้าพี่น้องดูเส้นทางอ่ะครับที่เห็นเป็นเส้นสีแดงก็จะเห็นเลยว่า มันคาบกินไปเลยไปจนถึงยีหลานไปถึงอะไรถ้าเกิดเราดูทางะตะวันออกนะครับตะวันออกนเฉีงเหนือขึ้นไปนี่คือจุดแดงไกลๆเลยครับนี่คือเส้นทางที่ไกาสุดทว่าคนใช้ในการเดินทางที่ว่าขี่พาหนะมาเพื่อที่จะมาทําฮัจญ์นี่คือไม่ได้นับที่ว่ามาทางเรือหรือว่าอะไรนะครับผม oh. ก็จะมาจากนี้เช่นเดียวกันก็จะขึ้นไปเลยขึ้นไปก็ไปถึงทะเลดําครับถ้าเกิดพี่น้องสังเกตดูนี่คือเส้นทางหลักๆที่คนเดินทางมาซึ่งอย่างที่บอกก็คือว่า าบางท่านที่เดินทางมาเนี่ยอาจจะแวะมะ ก, กาถ้าแวะนครมะ ก, กาเขาพี่น้องก็ดูที่เป็นรูปโดมสีเขียวที่อยู่ที่หน้าจอตอนนี้ก็จะเป็นเส้นทางแวะนครมดีนาก่อนแล้วก็ถึงจะเข้ามาที่นครมะ ก, กาอันนี้คือเนินทั้งสองที่ว่าพวกเราบอกว่าวะฮะดีนาฮุนนัชดัยในความโปวดปานที่เราได้ให้กับพวกเขาเราได้ให้ เนินทั้งสองที่ว่าเป็นเส้นทางหลักที่ให้ฮุจาดได้มาสแสวงบุญอย่างสะดวกง่ายดายไม่ใช่กรณนั้นหรือก็คือใครจะมาสแสวงบุญผู้ที่ศรัทธาต่อละเอาล้อยทางที่ง่ายดายแก่เขาแล้วทําไมเขาถึงกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอาลัลลอฮ์เช่นเดียวกันกันกบชาอุไรชกับบานูฮาชิมซึ่งเป็นเจ้าของคนถือกุญแจกาบาในเมื่อเขาได้รับเกียรติอันสูงส่งทําไมเขาถึงกราบไหว้สิ่งอื่นนอกจากอาลัลลอฮ์นี่คือวาฮะไดนาหุนนะจได ซึ่งถ้าเกิดเราแปลในความหมายนี้ที่นักตับซิดหลายท่านแปลบอกว่านัชเดนหมายถึงว่าเส้นทางในการมาทำฮัททั้งสองเส้นเนี่ยมันก็จะย้อนกลับไปหาอาญาแรกเลยกลับไปห า, ายาแรกที่ว่าและโอกซิมุบบีฮาเดนบนัดเราขอสาบานอย่างจริงจังถึงเมืองเมืองนี้ที่เจ้านั้นมีความปลอดภัยปลอดภัยแล้วก็มีเส้นทางเดินทางเข้ามาคมอย่างสะดวกสบาย ว่อิงตาวิโดนีอ่อามาตลอดละลทุสูหาหากเจ้าจะนับถึงความโปวดปานของละเจ้าย่อมไม่สามารถที่จะนับได้อย่างแน่นอนนี่คือหนึ่งในความเมตตาที่พ่อรอให้ครับซึ่งในยุค ป, ปัจจุบันอย่างที่เรารู้กันก็คือการทำฮาร์ ด, ดิ่งสะดวกสบายเลยจะไปเครื่องบินไปเรื อ, อยังพอมีบ้างแล้วก็มีการเรียนทางที่แบบว่าค่อนข้างจง่ายอ่าครับผมขึ้นรถทัวร์บางคนนี่คือจะแวะไปที่ไหนก็ได้ในซาอุดีอาระเบียถึงเวลาปุ๊บก็ไปคลองเอียรรอมแล้วก็ เข้าไปทาหั์หรือว่าทาอมร้นนั่นคือความเมตตาของร้อนที่ว่าขนาดการที่เราจะทำอีบาดาต่อพระองค์พรองค์ก็ให้ความชื่นเหลือให้ความง่ายดายพี่น้องลองจินตนาการดูครับถ้าเกิดว่าการทำอีบาดามันเป็นเรื่องที่ยากกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันสมมุติควรจะไปทำหัทนี่คือต้องเหมือนกับไปทำสงครามต้องมีการหลั่งเลือดอาหารการกินอดอยากคนคงจะไปทำหั์กันได้น้อยลงอีมาน ก็จะลดน้อยลงเพราะอีหมานมุสลิมเราเพิ่มด้วยกับการทําอิบาระต์ต่อหรอเพราะนั้นพี่น้องที่รักอย่าลืมครับปกติที่เป็นสุนนะที่ท่นานอับดุลสลามให้เราขอทุกครั้งหลังจากละหมาดคืออะไรครับอัลลอฮุมะอ่อินนีอัลาดิกริกะไวชุกริกะวาฮุสนีอิบาระติโอ้พีบารของฉันโอ้นายของฉันอ่าอินนีให้ความช่วยเหลือฉันด้วยเพราะว่าเราไม่มีความสามารถอะไรเลยโปรดให้ความช่วยเหลือแก่ฉันในการที่จะคิดถึงพระองค์ในการที่จะขอบคุณพระองค์ ในการที่จะทําอิบาดะต่อพระ อ, องค์อย่างดีๆเพราะอิบาระไม่ใช่ว่าคนทุกคนจะทําดีพี่น้องทุกคนน่าจะรู้กันดีถูกไหมครับผมเหมือนกับว่าเราละหมาดบางครั้งอัลฮัมดีละอิมานเหมือนกับว่าอิมานเรากําลังพุ่งรักอัลลอฮ์มากคิดถึงอัลลอฮ์มากละหมาดมีสมาธิแต่ว่านาอูซบินละหลายครั้งที่วาบางทีเราคุกคีกับดุลยามากไปอาจจะคิดเรื่องของธุรกิจคิดเรื่องการทํางานคิดเรื่องหูคลองคิดเรื่องลูกหลานคิดเรื่องอะไรก็ตามแต่ซึ่งมันทําให้ ระดับการทําอิบาระดะของเราลดลงวันมุ่งสิมเราก็เลต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรามีความสามารถทําอิบาระดะได้มีคนกี่มากน้อยครับที่อยู่โรงพยาบาลอยากจะละหมาดสักสองรักะเขาละหมาดไม่ได้รอผ่าตาอาจจะต้องนอนอาจจะลมยาหรืออะไรก็ตามแต่ตอนนี้เรามีความสามารถอยู่ก็อัลลอฮุมะอินนีอาลาดิกริกะวะชุกริกะวะฮุสตีอิบาดะดีโอ้พระผช่วยฉันด้วยนะให้ฉันนั้นได้คิดถึงพระองค์ให้ฉันนั้นได้ขอบคุณพระองค์เพราะถ้าไม่คิดถึงย่อมไม่ขอบคุณ คิดถึงมาก่อนได้ขอบคุณแล้วก็ได้ทําอิบาดะอย่างดีเพราะนั้นพวกเราบอกเลยครับบัฮาเดน่าหุนเนชไดดฉะนั้นอาย่านี้จึงไม่ได้จําเพาะเฉพาะชาวกูรชเท่านั้นแต่ว่าครอบคลุมถึงมนุษย์โลกทั้งหมดเลยเพราะมันแสดงให้เห็นว่าผู้ล้อนั้นเป็นผู้เมตตาแล้วคอยให้ความช่วยเหลือแก่บาวของพระองค์ในการทําสิ่งที่ดีงามบางคนเวลาจะทำสิ่งที่ดีงามนิสุมันยากลําบากไปหมดทําไมอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ บางครั้งอะครับที่มันยากมันไม่ใช่เพราะสิ่งแวดแล้อมมันเป็นที่ใจเราเองใจเราทําให้ทุกอย่างมันยากมันก็เลยดูยากแต่ถ้าเกิดใจเราอาทำเรื่อง ล, ละอันนี้เอายังติดเออเราไปทําอย่างนั้นก่อนอันนี้ก่อนอันนี้ก่อนถ้าเกิดว่าใจเราคิดถึงเอาล้อจริงพี่น้องถ้าคนที่คิดถึงกันจริงถ้าคนที่ว่ารักกันจริงจงอุปสรรคแค่ไหนเราไม่มองว่าเป็นอุปสรรคพี่น้องเห็นด้วยไหมเหมือนกับมีคําพูดเหมือนกับมีกรสารพัดจะเป็นพันไม้จะเป็นหมื่นไม้เหมือนกิโล และทางไกลแค่ไหนก็ตามถ้าคนรักกันน่พร้อมที่จะเสียสละเพื่อจะไปหาแต่ถ้าเกิดเราทำอิบาระแล้วรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแย่รู้สึกไม่อยากทำปัญหาไม่ใช่อยู่ที่สภาพแวดล้อมแต่ปัญหามันอยู่ที่หัวใจเราแปลว่าหัวใจเราเนี่ยกลังเป็นโรคกําลังต้องการการรักษาแล้วก็เยียวยาอย่างด่วนครับก็อุซบินามินาลิกกอล้คุ้มครองเราแล้วก็ให้อมานของเรานั้นมั่นคง ในการเป็นบ่าวที่ดีของผมครับผมครับก็มีพี่น้องอีกหลายท่านสละมานะครับคุณตูบาสลามาพร้อมกับดูอาเช่นเคยละครับก็วัดคุสลามอบตัลอบอบบรากกาตูแล้วก็บอบบรากกลอฟีกกี้นะครับผมคุณหมอเจมีนะครับผมเรียกสั้นๆอย่างเงี้ยนะสลามาก็วัลคุสลามอบตัลอบอบรากกาตัคุณสิลิพรส่งหัวใจมาบรากกะลอพี่กุ่มลูปดอกกุหลาบจักินาครับผมแล้วก็สละมาวัดคุสลามอบตัวลอบอบบรากกาตคุณซากี้ส่งหัวใจมาขอบคุณมากครับแล้วก็คุณสินตาอะลฮัมดีลาเช่นเมีย ครับก็มาชามแล้วก็บารักอัลลอฮฺฟี่กุมอ่ะครับ เ, เดี๋ยวทักไม่ครบนะครับผมคุณวาลีนะครับสลามาไวา้คุมสละมาุตุลอวบอัลากาทุแล้วก็คุณบางรู้มานอา่ามาเรียนแล้วอัลฮามดุรีแล้ขอบคุณลอผมก็ขอบคุณลอให้พวกลอยังคงเลือกผมให้มีโอกาสได้ทำสิ่งที่ออรารักแล้วก็หวังว่าสิ่งที่เราทำจะอยู่ในตาช่างที่ดีงามของเราครับผมพี่วันนี้ครับผม สุดเล้วอีกคนหนึ่งนะครับเขาทำดีเล็บบอกรามคําแหงชัดเจนแล้วก็หมออารครับรักทั้งครอบครัวเลยนะครับสลามกุ้ครับประจันสิริรักและอิบราฮิมกับฟูรกอนบอกสลามอาจารย์ด้วยก็ฝากสลามหนุ่ทั้งสองคนด้วยนะครับทั้งอิบราฮิมทั้งฟูรกอนแล้วก็ทั้งครอบครัวนะครับผมมาช้าแล้วก็บอกว่าอย่างที่ท่านอบีบอกใช่ไหมครับว่าคบคนดีก็เหมือนกับคบคนขายน้ําหอมก็ถึงไม่ได้น้ําหอมก็จะได้กลิ่นมาอันนี้คบคุณหมอนะครับ นอกจา ก, กน้ำหอมและยามาด้วยนะครับผมก็จะจากกลุ่มรอแค่นั้นเอาแล้วกลับมาคุยกันต่อพี่น้องที่รักเน้ออูฮารีนาหุนนชิดัยเนี่ยในอลกุรอเน่ยในความหมายที่เรามองว่ามันแปลว่าเราได้นําทางเขาสู่เนินที่สะดวกสบายทั้งสองที่ทําให้การทําอิบาร์ดานั้นเป็นเรื่องที่ง่ายดายสำหรับเขาถ้าความหมายนี้คือเป็นความหมายที่มุสลิมทุกคนต้องขอบคุณละลอเป็นประจำขอบคุณละลอที่ยังให้เรามี การศรัทธาต่อพ Word, อระองค์ขอบุญล้อที่ยังให้เรานั้นมีโอกาสได้ทําอิบารัดต่อพ Word, อระองค์ขอบุญล้อที่ยังให้เรานั้นมีโอกาสได้ทําหน้าที่เป็นบาวให้ พ, いいหพระองค์รักนี่คือสิ่งที่มุสลิมเราต้องขอบคุณมากมเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกล้อไม่เลือกเราเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกล้อไม่มองเราเมื่อไหร่ก็ตามที่พวกล้อรังเกียจเราเมื่อนั้นมันก็ไม่เหลืออะไรให้กับเราแล้วนะครับเรามาดูความหมายที่สองครับผมความหมายที่สอง เมื่อพูดถึงเนินทั้งสองครับบางท่านอาจจะคิดถึงอะไรก่อนครับเต้าของมารดาหรือเปล่าวะฮาไดนาหุนนชิดและเราได้นําทางเขาสู่เนินเต้าทั้งสองของมารดาของเขามันคือฮิดายานะพี่น้องพี่น้องบางทีเราอาจจะมองข้ามแต่พี่น้องลองคิดดูว่าเด็กที่คลอดออกมา เขารู้เรื่องอะไรัหมไม่รู้เรื่องใครไปสอนอะไรก็ไม่ได้เพราะล้ากล่าวในกุลันว่าไงครับวลาหูอัคารยาคูมินบุตูนิอุมาฮาติกุมและแต่ละโมนเชียะว่าจะล่ลักมุสสัมภะแลอัฟซาร์และอัฟิดะละเลลักมุตชกูรุนเพราะล้อศัพสัจะทมที่พวกเราทุกคนรู้กันดีแต่ว่าบางพีเรามองข้ามเพราะเราบอกว่าไงครับและพวกล้นั้นคือผู้ที่นาเจ้าออกมาจากท้องมานดาของเจ้า เด็กออกมาจากท้องได้ไงพี่น้องมั่งแปลกไหมล่ะครับคนที่ไม่เชื่อเลยพระเจ้าเขาบอกว่าธรรมชาติหลังสรรมาให้เป็นระบบอย่างนั้นระบบอย่างนี้ธรรมชาติทําได้ยังไงเพราะถ้าเกิดเรามองว่าธรรมชาติต้องใช้เวลาเป็นแสนปีเป็นล้านปีกว่าที่ธรรมชาติจะทําระบบให้คนคลอดออกมาจากท้องได้มันไม่สูญพันธุ์ก่อนเหรอ ทำไมมันเป็นอสุจิผสมกับรังไข่มาปุ๊บมาอยู่เป็นรังไข่แล้วก็กลายเป็นเอ็มบโอแล้วก็กลายเป็นก้อนเลือดกลายเป็นก้อนเนื้อกลายเป็นตัวมีผิวหนังมีกระดูกมีความรู้สึกมีหูไม่ได้ยินที่พเราบอกพวเราบอกไงครับววจ้าและวลักมุดซั่มอ่ะได้ทาให้เขาทาให้พวกเจ้านั้นมีการได้ยินหลกัหลกๆเด็กครับการได้ยินมาก่อนรับรู้ก่อน คนที่แบบว่ากำลังตั้งครรภ์อยู่อทำ ร, ริ่มมีความสุขไปหาหมอปุ๊บหมอก็จะบอกว่าคุยกับเด็กในท้องบ้างนะพูดกับเขาดีๆนะเขาจะรู้เรื่องเขาจะเข้าใจบางคนก็เลยอัดเพลงให้ฟังเลยหวังว่าลูกจะดีพี่น้องที่รักเพลงนั้นเพราะปลูกความกับกอกระวังให้ดีนะอย่าเพิ่งรีบไปกรอบหูเขาเดี๋ยวโตมาเดี๋ยวเขาอาจจะไปหาฟังเองอันนี้เราไม่รู้ลนะแต่ตอนนี้ถ้าดีบื่นเอาสิ่งที่ดีที่สุด คนเป็นแม่เนี่แหละอ่านอัลกุรอานล้ำลึกถึงอัลลอฮ์คิดดีๆมองโลกในด้านบวกทุกอย่างจะกลับไปที่ลกูกพี่น้องสังเกตไหมว่าการให้นมลูกในปัจจุบันเนี่ยมันมันอาจจะผิดเพี้ยนไปบ้างสมัยก่อนเราจะพบว่าชาวซาลฟหรือว่าผู้รู้ที่ทรงเกียรติแต่ละท่านเนี่ยเกิดมาจากแม่ที่ว่าทุกครั้งเวลาให้นมลูกก็จะ ขอบคุณ Allah ทุกครั้งที่ให้หนมลูกก็จะลำนึกถึง Allah ทุกครั้งที่ให้หนมลูกก็ดูอาจาก Allah ว่าขอให้ลูกนั้นเป็นคนที่ดีเหมือนเช็กซูเดสที่ว่าถูกแม่ดูอาเห็นว่าเมื่อก่อนซนมากๆแม่ก็ดูอาว่าขอให้ได้เป็นอิมามก็ทำดีแล้ว Allah ก็รับดีว่าแล้วก็เช่นเดียวกันกันกบผู้รู้หลายๆท่านแต่ในปัจจุบันนี้คือลูกร้องอ่ะลูกร้องอ่ะอัดยัดปากซะลูกจะได้เงียบ พอเนีว่าอยากให้ลูกแขงเงียบๆ เ, เอาเราก็รับก็ให้เด็กเงียบบางทีก็อาจจะไม่เงียบแต่เหนียบไม่ได้แค่นั้นเพราะฉะนั้นคนเป็นแม่ที่รักทุกท่านครับถ้าเกิดเรามีโอกาสที่ยิ่งใหญ่นี้เรากําลังจะปลูกฝังอนาคตที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งเราไม่มีทางรู้ว่ า, า จ, จะเป็นวีรบุรุษอาจจะเป็นคนที่ยิ่งใหญ่อาจจะเป็นคนที่เกินจินตนาการของเราแต่อย่าดูถูกดูอาของแม่แล้วก็สิ่งดีๆที่แม่มอบให้กับลูก เพ้นพี่ลองที่ะละ่าโเล้เกล่าไงครับโพล้อนั้นคือผู้ที่นําเอาเจ้าเนี่ยออกมาจากท้องของแม่ของเจ้าโดยที่พวกเจ้านั้นตอนออกมารู้เรื่องอะไรไหมไม่รู้อะไรเลยออกมาปุ๊บก็แวแวะแวบางทีหมอก็ต้องกระตุน้นให้ร้องเพราะว่าปอดจะได้ทํางานใช่ไหมครับพอร้องเสร็จปุ๊บอาจจะไปสอนเด็กยังไงหรือจะบอกอยังไงว่าเด็กต้องกินพี่น้องลองคิดดูกับเด็กทารกถ้เกิดเราอาหารแล้วเราบอกว่าอ้ามกินข้าวนะเขากินไหมไม่รู้เรื่องเราไปพูดกับเขารู้เรื่องไหมไม่รู้เรื่อง เราไดาเขารู้เรื่องไม่ก็ไม่รู้เรื่องเขาปวดจะร้องเขาก็ร้องหิวก็ร้องเวลาแฉก็ร้องเวลาถ่ายก็ร้องเวลาไม่สบายตัวก็ร้องเวลาสบายตัวก็อาจจะเงียบเวลาหลับก็เงียบแต่ในสภาพที่เราไม่รู้อะไรเลยพวกอัลลอฮ์เป็นผู้นาทางเราสู่ซาเดยินนัจเดนวาฮาดนาหุนนัจเดนนอกจากอัลลอฮ์จะสร้างเรามาให้มี ตาสองข้างมีลิมฝีปากมีลิ้นพวกล้อบอกว่าไงครับแล้วพวกล้อก็ได้นําทางเจ้าไปสู่เต้าทั้งสองของแม่ของเจ้าอีกบางคนก็ดูดเต้าเดียวเกี้ยงหมดบางคนก็ดูสองเต้าจะสุวรรณล้อครับนมมาจากไหนถ้าเราสังเกตดูครับตอนที่เราอยู่ในท้องแม่เราได้กินอาหารจากเบื้องล่างจากสายสะดือแต่เมื่อ เราคลอดออกมาจากท้องแม่พวกล้อให้เกียรติเราให้ทานอาหารจากที่สูงก็คือจากเต้าทั้งสองของแม่จากวูดแล้วก็จากนัชจากที่ต่าแล้วก็จากเนินทั้งสองนี่คือความเมตตาของล้อแล้วเมื่อเราเติบใหญ่มาเราก็ได้กินทั้งจากที่ต่ำจากน้ําที่เป็นอยู่เป็นแอ่งน้ําเป็นบ่อเป็นอะไรก็ตามแต่หรือน้ําที่หลั่งมาจากที่สูงเป็นน้ําฝนเป็นอะไรมีทั้งมาจากนัชแล้วก็มาจากวูด والله أخرتكم من بطن أمماتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفדה แล้วพวกก็ได้ทำให้เจ้านั้นมีการได้ยินมีการมองเห็นแล้วก็มีหัวใจพวกเราเอาหัวใจมาพูดเป็นประเด็นสุดท้ายเพราะนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของร่างกายสิ่งที่จะควบคุมหู ก็คือหัวใจสิ่งที่จะควบคุมตาก็คือหัวใจตอนแรกรอาจจะไม่มีอะไรควบคุมมันก็สเปสะปะแต่เมื่อคลอดมาปุ๊บหัวใจจะเป็นตัวกําหนดทุกอย่างรักแม่คิดถึงแม่ก็อยากไปดูแม่รักพ่อก็อยากไปเจอพ่อหัวใจเป็นตัวกําหนดว่าตาจะาไปใช้ที่ไหนหูจะไปฟังอะไร และอันและกุ้มตะชิครุนทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่พวกเละบอกครับว่าพวกเราเอาเจ้าออกมาจากท้องของแม่ของเจ้าโดยที่เจ้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็พวงให้เจ้ามีการได้ยินมีการมองเห็นให้เจ้ามีหัวใจทั้งหลายทั้งปวงนี้หวังว่าพวกเจ้านั้นจะเป็นผู้ที่ขอบคุณองค์หวังว่าพวกเจ้านั้นจะขอบคุณพระองค์พี่น้องที่ละครับมันรึเป็นเรื่องที่น่าแปลกประหลาดมากเวลาที่เราจะพบว่าคนบางคนไม่รู้ว่าเขาควรจะขอบคุณอะไรพระเจ้า บางคนบอกพระเจ้าไม่ได้ทําอะไรให้กับฉันพระเจ้าไม่ได้ช่วยอะไรฉันนับตั้งแต่ก่อนเราเกิดลำ้ำตะกุนใช้อ่าตั้งแต่ตอนเรายังไม่เป็นอะไรพระเจ้าก็ให้ความเมตตาให้ความช่วยเหลือแล้วอยู่ในท้องแม่พระเจ้าให้ความช่วยเหลือแล้วคลอดออกมาพระเจ้าให้ความช่วยเหลือถึงเวลาเราหิวพระเจ้าก็ให้ความช่วยเหลื อ, ล อ, ลอแล้วอันไหนอีกล่ะที่ว่าเราไม่จะเป็ี่ยนเราบุโปร์อะไรอีกล่ะที่ว่าเราไม่ต้องขอบคุณโปร์แค่การมีชีวิตอยู่ในแต่ละวินาทีแต่ละนาที เรามีเรื่องต้องขอบคุณลำล้อมากมายคุณล่ายาวมินหัวฟิชชัในทุกๆวันเนี่ยพระเจ้าทรงบริหารกิจการจนมากมายมหาศาลเกินจินตนาการอายะกรานนีครับคุณล่ายาวมินหัวฟิชชัสั้นๆเนี่ยแต่ถ้าเกิดเรามานั่งคิดซุบฮานะมลอทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีอะไรบ้างที่เราทําเราไม่ต้องดูโลกทั้งใบเราดูแค่พื้นที่เล็กๆอาจจะเป็นหนึ่งตารางนิ้ว ในหนึ่งตารางนิ้วที่มีดินพวกเราะก็เป็นผู้ดูแลให้มันมีดินเนีมันมีหินให้มันมีน้ําให้มันมีความชุมชื้นให้มันมีความแห้งแล้งให้มันมีต้นไม้ให้มันอยู่ให้มันรองรับให้มันสร้างบรรยากาศให้มันสารพัดทุกวันพวกเราะดูแลแค่พื้นที่1ตารางเมตร1ตารางนิ้วไปหนึ่งตารางเมตรบ้านเราสวนต้นไม้ทั้งหมดที่อยู่ในบริเวณที่เราเห็นพวกเราะดูแลทุกเวลาทุกวัน ให้มันหาอาหารได้ให้มันเป็นสีเขียวให้มันแห้งกลางให้มันมีผ ล, ลไม้ให้มันมีดอกไม้หอมกุหลาย้มิน้นทพัวฟีชาทุกวันนั้นพวกลอนนั้นมีกิจการงานที่ทําแล้วก็เลี้ยงสรั ป, ปรสิงสั ป, ปสัตทั้งหลายทั้งที่เรารู้กับที่เราไม่รู้พี่น้องเคยเลี้ยงลูกนกไหมครับลูกนกที่ตกมาจากต้นไม้ถ้าพี่น้องไปเซิร์ชดูไปหาข้อมูลดูไปเข้ากลุ่มไหนก็ตามแล้วเข้าจำพันธุ์ที่ปุ๋ยกลุ่มไหนก็ตามเขาบอกเลยว่ามันมีแค่2ออย่างไม่รอดก็ตาย ยากมากที่จะเลี้ยงลูกนกให้รอดขนาดคนที่มีประสบการณ์เขาก็บอกมันก็มีแค่สองอย่างแหละไม่รอดก็ตายแล้วพวกเราเลาะให้แม่นกสิ่งมีชีวิตที่มีสติปัญญา น, น้อยกว่าเราอัตราการเลี้ยงลูกรอดมากกว่าเราแล้วก็เชื้อสายมันก็ยังคงอยู่อันไหนที่เลาะอยากให้สูพนพันธุพวกเราให้สูนพันน์อันนที่รักษาไว้ก็รักษาไว้แล้วสิ่งมีชีวิตทั้งหมดพวกเราเลาะให้อาหารมันหมดเลยรวมทั้งตัวเราด้วยริสกีทั้งหมด คุณเหล่าเยมินฮัวฟีชาในทุกๆวันนั้นพ่อเร้อยมีกิจการงานที่พร่อทําแล้วจะมีอะไรที่เราจะไม่สามารถขอบคุณอลลั่วได้มันเป็นไปไม่ได้พี่น้องที่รักเราเคยพูดกันแล้วในช่วงของซับซีซ์สุรัชอัลฟาติฮะซึ่งในตอนนั้นจะเป็นซับซีซแบบสรุปเพราะว่าเราพยายามเน้นหนึ่งคาบหนึ่งบทมันก็เลยอาจจะดูรวบรัดไปนิดหนึ่งแต่อยากจะเอามาชวนคุยตรงนี้ประเด็นสั้นๆก็คือว่าเนื่องจากเรามีสิ่งที่ต้องขอบคุณอลลั่วเยอะ มากเยอะจนเกินจินตนาการเยอะเกินกว่าที่เราจะรู้ได้สติปัญญาเรารับรู้ไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างที่เราต้องขอบคุณพระองค์หัวทั้งหมดของเราพี่น้องคิดให้ตายนะครับพี่น้องไม่สามารถคิดได้ทุกเรื่องที่เราต้องขอบคุณหรอกเมื่อเราไม่สามารถขอบคุณพระองค์ในทุกๆเรื่องได้ในสุลฟาติฮะซึ่งเป็นอุมุลกิแทบพวกเราไม่ได้เริ่มด้วยกับคําว่าขอขอบคุณหรอก แต่พวกเราใช้คำว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิรบบิลลาลิมความหมายครอบคุมทั้งหมดที่หัวเราไปไม่ถึงอัลฮัมดุคือขอสรรเสริญสรรเสริญนี่คือมันเยอะเกินกว่าที่จะขอบคุณได้แล้วคือมันมีเรื่องให้ขอบคุณเยอะเยอะเยอยยเยมากเ ก, กินจินตนาการก็เลยใช้คำที่ว่าครอบคุมทั้งหมดก็คืออัลฮัมดุสรรเสริญทุกทุกเรื่องทุกๆอย่างทั้งที่เรารู้กับที่เราไม่รู้ต่ออัลล ผู้ที่เป็นนายของทุกสรรพสิ่งที่ว่าดูแลทุกสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นกุลเยามินหัวฟีชัปพวกเราบอกเขาว่าละอันละกุณดัชต์กุรูนบว่าพวกเจ้านั้นจะได้ขอบคุณเพราะฉะนั้นการที่พวกเรานําทางเด็กคนหนึ่งทารกคนหนึ่งทารกแทบจะทุกคนบนโลกนี้ไปที่เต้านั่นคือจุดเริ่มต้นความเมตตาของพระองค์ที่มีต่อเขาแล้วทําไมเด็กคนนั้นเมื่อเติบใหญ่กลายเป็นคนเี้ละคุณทำไมเด็กคนนั้นเมื่อเติบใหญ่กลายเป็นผู้ที่ปฏิเสธพระชาติไปได้ พี่น้องีรักยิ่งครับเพราะเราด้กล่าวในสุราอัลอินซานใช่ไหมครับว่าอินนะฮะดีนะฮุสซาบีละอิมาชากีร์ว่อิมากฟูรมนุษย์ทุกคนเนี่ยเราได้นำทางเขาไปสู่เส้นทางที่ว่าจะมีชีวิตรอดได้เริ่มตั้งแต่ให้สามารถกินนมแม่ได้นี่แหละครับอินนะฮะดีนะฮุสซาบีเราได้ให้ทางนำเส้นทางแก่เขาในการดำเนินชีวิตอิมาชาเกีรว่อิมากฟู มนุษย์ก็จะแบ่งเป็นลอ่กลุ่มที่ว่าเขารู้จักขอบคุณอัลลอ์กับกลุ่มที่เขานั้นไม่รู้จักขอบคุณพระ อ, องค์เป็นผู้ไปเสษต่อพระองค์พี่น้องที่รักเอนครับอัลลอได้กล่าวเช่นเดียวกันครับว่ากุลอารอัยตุม um อินอัสมาอกุมโกรนฟามายะทีกุมบ um um um ีมาอินมาอินเมื่อเราพูดถึงความเมตตาของเราที่ให้เราได้บริโภคอาหาร ทั้งจากเบื้องล่างแล้วก็จากเบื้องบนจากที่เนินสูงกับจากที่ต่ำขอล้อเขาบอกครับว่าชองกาเถิดมูฮัมหมัดพวกเจ้าไม่เห็นห ร, หรือถ้าหากว่าพวกเรล้อให้แหล่งน้ำทั้งหมดของเจ้าเนี่ยมันเหือดแห้งไปแล้วใครหละจะสามารถนำน้ำมาให้กับเจ้าได้อีกนี่คือความเมตตาของล้อที่มากมายเมื่อเราพูดถึงนมเมื่อเราพูดถึงแหล่งน้า น้ำมากมายตลอดชีวิตอย่างที่เรารู้ร่างกายของคนเราหลักๆประกอบไปด้วยน้ําอย่างที่พวกเราทราบเราต้องดื่มน้ํากันวันละสองสาขวดอันนี้คือตามที่การแพทย์เนะนําบอกว่าต้องกินเยอะๆค่อยๆจิบไปกินไปมันดีกับร่างกายพวกเราบอกว่าน้ําที่เราดื่มๆกันเนี่ยที่เราหาง่ายๆเดี๋ยวจะเอกเราไปร้านสะดวกซื้อจ่าย5บาท6บาท10บาทได้มาขวดหนึ่งเนี่ยพวกเราบอกว่าถ้าเกิดพวกเราให้แหล่งน้ําของพวกเจ้าหายไป เจ้าจะไปหาน้ามาจากไหนไม่มีกแล้วนี่ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่เลยที่เราต้องขอบคุณอัลลอ์แต่วะลลุมินอบาิักูรน้อยเหลือเกินในบาวของข้าที่เขานั้นรู้จักขอบคุณเพราะเขาได้สุรอัรยครับวฟิลอร์ดอายตุลลิลมูนินว่ฟอัฟุซิกุมอัฟารตบรุนและในผืนแผดินนี่แหละ อายาตุลิมูกีนินจะมีสัญญาณต่างๆให้แก่ผู้ที่มีความยักเกินความเชื่อมั่นในพระเจ้าคนที่เชื่อมั่นว่าโลกนี้ต้องมีผู้สร้างเขาดูอะไรก็ได้บนผนืนแผ่นดินเราบอกกับดูไปเลยในะนผืนแผ่นดินดูไปให้หมดเลยจะมีแต่สิ่งที่แสดงอยู่ถึงการมีอยู่ของผู้สร้างพี่น้องจะดูท้องฟ้าพี่น้องจะดูแผ่นดินพี่น้องจะดูอากาศจะดูที่ว่างจะดูต้นไม้จะดูตึก รามบ้านช่องจะดูคนจะดูสิ่งของสแสดงถึงการมีอยู่ของผู้สร้างทั้งสิน้นแล้วพระ่ักาณเช่เดียวกับเขาว่าวิฟีอังฟูซีกุมอาฟาลาตูบซสรูนรวมถึงในตัวของพวกเจ้าเองมันก็สแสดงถึงการมีอยู่ของพระเจ้าทำไมเจ้ายังมองไม่เห็นอีกพระลักษณใช้คำอย่างนี้เลย คือมันใกล้ตัวมันใกล้ตามันเห็นตลอดแล้วทําไมยังไม่เห็นว่าทั้งหมดนั้นแสดงถึงการมีอยู่ของพระเจ้าร่างกายมนุษย์ที่สมบูรณ์ขนาดนี้มันเกิดมาจากฟุกๆทฤษฎีวัฒนาการที่มันฟุกขึ้นมาฟุกตั้งแต่แรกฟุกตั้งแต่ก่อนเกิดจักรวาลฟุกตั้งแต่เป็นจักรวาลฟุกตั้งแต่มีโลกฟุกฟุกๆุกกฟจนมาเป็นร่างกายที่สมบูรณ์ด้วยความฟุกอัฟาราตุบุสีรุ่นยังมองไม่เห็นหรอกเลย ขนาดเราเห็นอะไรสักอย่างอะไรก็ตามที่พี่เราเห็นอาจจะเป็นของอาจจะเป็นน้ำยาอะน้ำยาแอลกอฮอล์ล้างมือเดี๋ยวนี้ใครไปไหนก็ต้องใช้ใช่ไหมครับเวลาเราเห็นเราไม่จำเป็นต้องเห็นคนที่ผลิตมาเราก็รู้ว่าขวดอย่างเงี้ยมันต้องมีคนผลิตมันต้องมีคนสร้างแล้วเรามาดูร่างกายเราร่างกายเรากับขวดคนนี้อะไรมันสร้างยากกว่ากันอะไรละเอียดกว่ากันอะไรมาซับซ้อนกว่ากันทาไมคนถึง บอกว่าขวดนี้ต้องมีผู้สร้างแต่มนุษย์เกิดมาด้วยความบังเอิญอัลเฟรดตุบัสีรูนพวกเจ้ายังมองไม่เห็นดอกเหลวพวกเราใช้คาที่ว่ามันชัดยิ่งกว่าชัดเพราะนั้นคนที่จะเชื่อก็คือคนที่เขาเชื่อมันแล้วคนที่เขาเปิดใจแล้วค น, คนที่เขายอมรับแล้วเพราะนั้นครับตอนนี้เรารู้ถึงความหมายที่สองแล้ว หลังจากที่พวกเราเด่นทรงกล่าวไว้ในกุรานในคำพีของพระองคนะครับว่าวะฮาเดนาหุนเนชเดยเราได้นําทางเข้าสู่เนินทั้ง2แล้วก็รู้แล้วว่ามี3าความหมายอย่างไร3าความหมายความหมายแรกเนินทั้ง2หมายถึงเนินทั้ง2ที่ว่าเป็นเส้นทางหลักของคนที่จะมาสแสวงบุญสามารถจะมาได้อย่างปลอดภัยเป็นเนินเห็นวิวตั้งแต่ไกลมีความปลอดภัยจะมีใครป้นสะดมมันเห็นชัดแล้วเป็นถนนที่มีความปลอดภัย อันที่สองก็คือเนินทั้งสองก็คือเต้าทั้งสองของแม่ซึ่งก็อย่างที่บอกครับในเรื่องของการให้นมแม่พวกเรากล่าวไว้ว่าสำหรับผู้ที่อยากจะให้นมอย่างสมบูรณ์ระยะเวลาที่ดีที่สุดนั้นคือสองปีเมื่อก่อนมีความเห็นขัดเยอะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นแพทย์สมัยก่อนก็จะบอกไม่ดีหราตอเป็นนมวัวนมวัวมัน่อนกว่านมแม่มันใสแล้วก็ ความรู้ก็เปลี่ยนเปล่นมาเรื่อยๆจนปัจจุบันหมอว่าไงครับให้เท่าไหร่ก็ให้ไปเถอะเพราะว่านมมีสิ่งที่มนุษย์ไม่สามารถสร้างเองได้นั่นคือภูมิคุ้มกันไม่เคยภูมิคุ้มกันอะไรมาฟีมุสกาาิลอาบิบะบาระกะลาฟีกุนนัมฟีมาฟีลาอาฮาจามิบะตายิบจะจากลาการศึกษ ไป อ, อีอนะอกรอเราจะแค่ลำบากเดียวอย่าไปแบบอะไรนะอุลตริมาให้เราลำบากอินชาอครับนี่กความหมายนะั้นในส่วนของฮาร์ดายนาฮุนเนชเชลนความหมายที่3ครับว่าที่บอกว่าเราได้นําทางเขาสู่เนินทั้งสองเนินทั้งสองในความหมายที่สามคือเนินแห่งความดีแล้วก็เนินแห่งความชั่วพั้วแล้วบอกว่าพวกเ้ทําให้มันชัดเจนแล้วถ้าพูดถึงเนินถ้าเกิดเราเป็นความหมายแรกเนิน ที่ใช้ในการเดินทางชัดเจนความหมายที่สองเนินที่เป็นเต้านมของแม่ก็ชัดเจนความหมายที่สามเนินสู่ความดีกับเนินสู่ความชั่วความหมายบางท่านอาจจะบอกว่าทําไมต้องเป็นเนินทําไมไม่ใช่ถนนธรรมดาทําไมใช้คําว่าเนินละว่าร้อยเราไม่ล้อยทันที่รู้ครับแต่ถ้าเกิดเรามานั่งไขว่ควรดูเราจะพบว่าการที่เราจะขึ้นที่เนินเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าเราจะไม่เห็นสิ่งที่อยู่หลังเนินจนกว่าเราจะขึ้นไป ถูกไหมครับเช่นเดียวกับความดีและความชั่วถ้าถึงเวลาเรามานั่งสอนและเฉยว่าความดีทําแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ความชั่วทําแล้วอย่างนั้นอย่างนี้บางทีมันไม่เห็นภาพคนที่จะรู้ซึงถึงรสชาติของอีหมานที่ท่านละเบี้ยบรสโลยซามได้บอกไว้ว่าอีหมานนั้นมีรสชาติแล้วก็มีความหอมหวานล้วนต้องเป็นคนที่ได้ลิ้มรสชาติอีหมานแล้วคือได้เลือกขึ้นมาที่เนินแห่งความดีแล้ว แล้วก็เขาก็จะเห็นแต่สิ่งที่ดีงามที่อลัลลอฮ์เตรียมไว้ให้กับเขาเพราะนั้นพี่น้องที่รักถ้าเราสังเกตดูนะครับมีเพียงผู้ศรัทธาเท่านั้นที่เขาจะยิ่งมีความศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ศรัทธามากขึ้นมากขึ้นเวลาที่โดนทดสอบทดสอบด้วยสิ่งที่ดีเขาขอบคุณ อ, อัลลอฮ์หม م ا ن เขาเพิ่มขึ้นโดนทดสอบด้วยสิ่งที่เขาไม่ชอบเขาอดทนเพื่ออัลลอฮ์หม م ا ن เขาก็มากขึ้นเพราะฉะนั้นเส้นทางนี้ผู้ที่เปลนความงดงาม ของเส้นทางแห่งความดีคือผู้ที่เลือกเดินบนเส้นทางนี้แล้วเท่านั้นถึงจะเห็นแบบชัดเจนเพราะมันคือเนินที่มันต้องขึ้นไปก่อนเช่นเดียวกับความชั่วครับเช่นเดียวกับความชัว่วจะไม่มีใครรู้ว่ามันน่าลุ่มหลงมันเป็นอะไรยังไงจนกว่าเขาจะได้ขึ้นไปแล้วซึ่งเมื่อขึ้นไปแล้วหลายคนก็ไม่สามารถกลับมาได้อีกหลายคนก็ไม่สามารถที่จะกลับลงมาได้อีกเพราะว่าเขาติด กับกับความงดงามของดุนยาไปซะแล้วอินนะฮะดายาฮุสซบีละอิมาชากเรนไวมากัฟูรเช่นเดียวกับเรื่องของการให้ทางนำครับควร้องกล่าวไหครับถ้าพี่น้องจำได้ในสุระอัชชัมซึ่งเราพูดคุยกันก่อนสุระอัลบลัดสุระชัมสุระที่บลัดนี่คือ๙0ใช่ไหมครับคุณราบอกไหมครับฟาลฮะเมฮาฟชูรฮาวะตะควาฮา ที่ผูรอดสาบานสิ่งเจ็ดอย่างจำได้ไหมครับวะชัมซ uh ีวะดูฮาฮะวะลกมริดะตลฮวันฮิจลลฮวัลลิยากชาฮะวสมวะมาบนาฮวลอรดีวะมาตาฮะฮะวะนัฟซีวะมาซัวฮะหลังจากที่ผูรอสาบานถึงสิ่งยิ่งใหญ่ทั้งเจที่ผูรอดสร้างซึ่งมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่เกินจินตนาการว่าผูรอดสร้างมาได้ยังไงแต่ผู้รอบอกว่าทั้งเจอย่างที่ผูรอสาบานเนี่ยทั้งหมดกลับมาที่จิตใจ ที่พวกเราได้โดนใจให้มันรู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วพี่น้องที่รักครับคนเราทุกคนที่เกิดมาทา่านอับดุลเบิร์ร์สัลลอฮฺสั่งบอกอยู่ว่ามนุษย์อัลอตระะเบวฮยฮวิดานีเอาอยสีรออนี อ, อยูมัจิซานีเด็กทุกคนที่เกิดมาเกิดมาตามธรรมชาติที่งดงามที่อเลาสร้างมาที่สามารถเปิดใจยอมรับพระเจ้าได้พี่น้องไปดูครับเด็กเกือบทุกคน ที่ยังไม่ถูกล้างสมองไม่ถูกอะไรถ้าเกิดเราไปพูดถึงการมีอยู่ของผู้สร้างการมีอยู่ของพระเจ้าเด็กเข้าเปิดใจรับได้หมดเลยเพราะเขายังอยู่กับธรรมชาติที่งดงามเขายังไม่ถูกเอาข้อมูลอะไรมาล้างสมองซิซินนานบีมัส ร, รุลสลัมบอกว่าไงครับพ่อเขาแม่เขาเนี่ยที่เป็นคนเอาความยัดเยียอความเป็นคริสตความเป็นยูความเป็ น, ป น, ปนผู้บูชาไฟเอามาใส่ให้กบองโมฮัมหมัดบอกว่าไง จิตใจแต่และจิตใจที่เกิดมาในโลกพวกเราได้ให้จิตใจเหล่านั้นรู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีอะไรนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีซึ่งในส่วนของสุลักปัชัม์ถ้าเกิดพี่น้องสนใจก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เราได้พูดคุยกันแล้วซึ่งคิดว่าน่าจะเพียงพอจนไม่จําเป็นจะต้องย้อนกลับไปพูดคุยกันมากกว่านี้ว่ า, ารอไอาลมครับผมประเด็นที่อยากจะชวนคุยตอนนี้ครับววอัััลมาาาาฟจููรตตก้้้ไิในน รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเช่นเดียวกับใอญญนอยันนี้พวกเราบอกให้ครับว่าฮาเดนาหุนเนชเดนเราได้นำทางเขาสู่เนินที่สูงทั้งสองเนินเนินแห่งความดีแล้วก็เนินแห่งความชั่วนําทางเขาในที่นี้คือบอกให้เขารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วถึงเวลาเขาต้องเลือกเองว่าเขาจะเลือกเส้นทางไหนซึ่งบางทีการเลือกของคนคนเดียวอาจจะส่งผลให้คนอื่นด้วยเช่นเดียวกัน เหมือนกับที่ท่นานอบีมัสรสลัมเตือนไว้ครับเวลาคบใครถ้าคบกับคนไม่ดีก็เหมือนกับการคบกับช่างตีเหล็กท่านอบีไม่ได้บอกว่าช่างตีเหล็กไม่ดีแต่ท่านอบีบอกว่าเวลาที่เราไปคุกคีตอนเขากาลังทํางานเนี่ย <c oughs> เขากําลังตีเหล็กอยู่แล้วเราไปจ่อกับเขาเนี่ยโอกาสที่จะโดนไฟโดนประกายเสื้อผ้าไหมสูงถ้าไม่โดนเสื้อผ้าเราก็เหม็นกลิ่นควันแล้วในยักกุรันในสรลบาชัมครับพวกเราบอกไวครับ เคสนับสั๋วเธอยี่น فقال لهم رسول الله ن ا ق الله ف س ق ه ا ف ذ ب و ه فعقرها ف د م د م عليهم ر ب ه م ب ذ ه م ف س و ه ا ولا ي ا ف ب ه ا ่องกรพฤติกรรมของคนชั่วคนเดียวที่กลมาเป็นผู้นากลุ่มพี่น้องระวังให้ดีแม้แต่ในปัจจุบันมันก็เกิดขึ้นซ้แล้วซ้อีกบางทีคนที่ลุกขึ้นมาเป็น ตัวนำลุกขึ้นมาเป็นแกนนําของแนวความคิดอะไรก็ตามแต่ถ้าเป็นคนที่ชั่วช้าแล้วคนต่างยกย่องคนต่างพากันนับถือเราจะได้กลุ่มที่ชั่วร้ายหนึ่งกลุ่มไม่ใช่คนชั่วร้ายหนึ่งคนแต่จะได้กลุ่มชั่วร้ายเลยหนึ่งกลุ่มฟะละห์มะฮ์ฟูจูรอฮ์ฮะวะตวรู้อะไรถูกรู้ว่าอะไรผิดแต่เมื่อเลือกเนินที่จะไปเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไม่ หันหลังกลับมาอีกเนินหนึ่งนอกจากผู้ที่ว่ า, าให้ทางนาอย่างแท้จริงน้องชิลลัดจิงครับในเรื่องของการให้ทางนำเนี่ยล้อสุภานตาได้บอกไปแล้วว่าลอบอกทางไว้แล้วว่าอะไรคือทางที่ถูกอะไรคือทางที่ผิดจิตใจทุกจิตใจรู้และในขณะเดีวยวกันพเพราะล้อก็แต่งตั้งนบีมาหลายๆท่านด้วยพร้อมกับสัตธรรมพร้อมกับคำพี่เพื่อบอกให้รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด แต่ถามว่าถึงเวลาพี่น้องอันนี้คือสิ่งที่เราต้องเข้าใจคือสิ่งที่เราต้องทําใจคือสิ่งที่เราต้องระวังอาพเจ้าอว่าันนี้เท่าฟานจะีับซีว่ามันาอเยะวลาดิซิลวาราน่าั่บบินมั่งดาน้าภาษาอัสลห์น่อิสามที่ส5ครับบอกครับ ใครที่เขาได้รับทางนำไปแล้วเนะี่ยเขาก็ได้รับทางนำแก่ตัวของเขาเอีกคือโอกาสดีสิ่งดีๆความงดงามที่ได้เนะี่ยมันตกอยู่กับตัวเขาพวกเราล้อไม่ได้อะไรคนที่มาสอนก็ไม่ไดๆอนะไรคือถ้าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อคนสอนเขาทำหน้าที่ของเขาแล้วผลลบุญอยู่ที่อัลลอฮฺชละอิสลามถลาเจตนาเขาบริสุทธิ์ย้านะเวลาที่เราทางานศาสนาเนี่ย พวกเราไม่ได้มาดูว่าคนเข้ารับกี่คนคนเชื่อกี่คนคนฟังกี่คนเพราะนั้นเป็นฮิดายะมาจากัเลาแต่พวกเราดูว่าเราทำอะไรแล้วบ้างเราพยายามอะไรเพื่อพระองค์บ้างเพราะนั้นมันจะได้ฝ่ายอินมายากจะ ด, ดีนับสี่ใครที่เขาจะได้รับทางนำความดีนั้นมันตกแก่ตัวเขาเอง ไม่เกี่ยวกับคนอื่นเช่นเดียวกับว่าวามันดัลลาฟอินนามาอย่าดิ้นดูอะไรฮะถ้าใครที่เขาหลงผิดเลือกที่จะหลงผิดแล้วทำให้ตัวหลงผิดเขาก็ทำตัวของเขาให้หลงผิดไปเองเพราะทุก อ, อย่างมันชัดเจนแล้ววันนัทซิลวาซิราวิซราอูครอคนคนนึงเขาจะไม่ต้องแบกรับบาปของคนอีกคนหนึ่งก็คือแต่ละคนทำอะไรก็รับผิดชอบตัวเอง ว่มากุนนะมัวอัลดีบีนะฮัตตะนะปาสารัสแล้วเราจะไม่มีทางลงโทษใครเด็ดขาดจนกว่าเราจะได้แต่งตั้งทูตไปยังพวกเขาก่อนให้เขารู้ก่อนว่าอะไรถูกอะไรผิดนี่คือความไม่ตาของเราไม่ใช่ว่าแค่ให้เราเกิดมาสัญชาตญาณรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดแค่นั้นแต่พวกเราเมื่อเราโตมาก็ให้ความรู้ที่ชัดเจนกัเราด้วย แต่ในสวรรค์ยิสูปล์ก่าวไงครับว่ามาอักษรุณนาซิว่าเรา harus ta bimu m i i n แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากอะต่อให้เจ้ามีความปาดถนาแค่ไหนก็ตามก็ไม่ใช่ว่าเขาจะได้รับทางนำก็ไม่ใช่ว่าเขาจะได้รับทางนำว่ามาอักษรุณนาซิว่าเรา harus ta bimu m i i n นี่คือสัจธรรมครับผมก็เลยว่าเป็นสิ่งที่เราต้องระวังเอาไว้ทำไมต้องระวังครับ ที่เราต้องระวังเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในชนกลุ่มมากหรือชนกลุ่มน้อยพี่น้องเห็นด้วยไ้มเราไม่รู้เราจะอยู่ในกลุ่มมากหรือกลุน่มน้อยเพราะในย่านโบราณนี้พวกเราบอกว่าไงครับกลุ่มมากตอนเนี้ยส่วนมากเขาไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาเขาไม่ใช่ผู้ที่ศรัทธาเพราะนั้นนอกจากเราจะเป็นห่วงคนอื่นเราก็ต้องทำใจไว้ด้วยว่าถึงเวลาแต่ละคนต้องรับผิดชอบตัวเอง ณจุดจุดหนึ่งที่เราต้องระวังมากที่สุดคือตัวของเราหลังจากนั้นคือคนในครอบครัวของเราหลังจากนั้นคือคนอื่นขยายไปเรื่อยๆแต่ถ้าถึงเวลาคนอื่นพูดแล้วก็ไม่ฟังคนในครอบครัวพูดแล้วก็ไม่ฟังถึงจุดจุดหนึ่งที่สุดของที่สุดมันแต่เดใครที่เขาจะได้ทางนาเขาก็ได้แก่ตัวของเขาเองพี่น้องที่รักยิ่งครับวบ่าลอกล่าวไว้เช่นเดียวกันว่า ว่าเราสุาาภาาบภาพหัวตาที่ส่งกล่าวไว้ครับว่าแล้วเราไม่ได้ส่งทูตไปยังกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดไม่ได้ส่งคนเตือนไปยังกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดนอกจากพวกเขาส่วนมากของพวกเขาจะบอกว่าไงครับไอ้ที่คุณว่ามาเนี่ยไอ้ที่คุณว่าคุณได้จากพระเจ้าเนี่ยเราไม่เชื่อเราไม่ฟัง นี่คือสัจธรรมนี่คือสัจธรรมซึ่งพรวกเรากล่าวไว้แล้วมันก็เป็นอย่างนี้จริงๆว่าก้อูนะหนูอักษรุอัมวาล่ะว่าเอาแล้วะว่ามาณานุบีมูอิยาบินเหตุผลที่ผู้ไปศึกษาส่วนใหญ่จะพูดหรือบางทีแม้แต่มุสลิมเองก็พูดก็คือทําไมเราต้องไปเชื่อด้วยละ่ะเรามีทรัพย์สินมากมายเรามีเกียรติยศเรามีลูกหลานมากมายเรามีทรัพย์สินเรามีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมด ต้องเป็นคนที่รวยกว่าเราพูดเราถึงจะฟังต้องเป็นคนที่มั่งคั่งกว่าเราพูดเราถึงจะเชื่อแกเป็นใครทำธุรกิจก็ไม่ได้ลำรวยอะไรทรัพย์สินก็ไม่ได้มีมากอะไรลูกหลานก็ไม่เห็นได้ดบได้ดีอะไรเท่าไหร่ไม่เห็นมีอะไรเลยแล้วบอกว่าเนี่ยอัลลอ์พูดเนี่ยเราศูนย์พูดฉันไม่เชื่อพี่น้องเคยเจอไหมผมคิดว่าหลายท่านน่าจะเคยเจอ้ากับกาเฟสเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าเป็นคาพูดที่หลุดมาจากมุสลิมเองล่ะ อินนาลิลัยว่าอินนะอิลัยรอชิอุนถึงขั้นเขาบอกว่าเรามีเยอะกว่าเรามีทั้งทรัพย์สินเยอะกว่าเรามีทั้งลูกหลานเยอะกว่าแล้วถึงเวลาเราไม่มีทางที่จะถูกลงโทษหรอกเพราะเราเป็นคนดีเหลือเกินแต่เวลาพอใครตายปุ๊บเราก็ไปจ้างคนมาอ่านกุรานไปจ้างคนมาให้อิหมามทําอย่างนั้นไปจ้างคนมาไปเอาเงินของเรามาจ้างจ้างจ้างๆลูกเราละหมาดไม่เป็นไม่เป็นไรให้อิหมามละหมาดให้ลูกเราอ่านกุรานไม่เป็นไม่เป็นอะไรเอาตังค์ไปเลี้ยง30อ่า สามวันสี่สิบวันร้อยวันอะไรก็ว่ากันไปเจ้าเงินไปซื้ออะไรจากอาลัลลอฮ์ได้ถ้าจิตใจไม่ตั้งว่าตัวเองยังไม่ยอมจำนนต่ออลัลลอฮ์แล้วจะเอาอะไรไปซื้อกับ อ, อัลลอฮ์เจ้าทรัพย์สินของอัลลอฮ์ไปซื้อจาก อ, าอัลลอฮ์เหรไม่มีประโยชน์ครับไม่มีประโยชน์อลัลลอฮ์ไม่รับรเลยพราทั้งหมดมาจากอัลลอฮ์อัอลลอฮ์เนื้อให้ผู้ที่บ่งสูงประสงค์ได้หรือ ฟลุล่ลอยยุตี่ไมยะชะนั่นคือความโปรดปานของอลอที่จะให้แก่ผู้ที่พระองค์ทรงประสงค์ใครที่ได้ไม่ได้หมายความว่าเป็นคนดีหรือคนชั่วไม่เกี่ยวเลยเอาลอทจะให้ใครผู้เ่าลอก็ให้คนชั่วสุดผั้ว่าลอก็ให้ได้คนดีที่สุดผั้ว่าลอก็ให้ได้คนชั่วที่สุดผู้ว่าลอจะไม่ให้เลยเลยหรือคนดีที่สุดผั้ว่าลอจะไม่อะไรเลยในดุนยามันก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นการมีไม่ได้บอกอะไรเลยนอกจากว่าเราได้รับความโปรดปานจากอัลลอฮ์จงขอบคุณพระองค์ซะแค่นี้เลย ไม่ใช่อเวอวด ต, ต้องขอบคุณละล้อว่าอัลลอ์ให้มาอัลลอฮ์อย่าให้ฉันต้องเสียคนไปกับมันี่เถิดนี่นคือสิ่งที่มุสลิมเราอขอด้องให้มากๆพวกเรากล่าวในสุลสาบาว่าอินนารับบียะบสุสตุริสกาลิมยายชาอวยกดิรลาคินนัรร น, นาลยอะล า, าละมุนผูเล่าพูดสัจธรรมความจริงที่ว่าหลายครั้งเราก็ได้แต่น้าตาตกในกเร า, ากล่าวว่าไงครับจงกล่าวเถิดว่านายของฉันรับบีนายของฉันผู้อยูบานของฉันนั้น ยับสุตริสกอริเมยชาวยักษ์นจะให้ริสกีของพว์แก่ผู้ที่วงทรงประสงค์แล้วพวกก็มีความสามารถด้วยไม่ใช่ว่าจะให้ใครก็ให้ได้แต่ถึงเวลาปุ๊บตังหมดเลยไม่ได้ให้ไม่ใช่พวกเราจะให้ใครก็ได้ผู้ทรงประสงค์คนดีคนชั่วผู้ชายผู้หญิงคนเด็กคนแก่คนชราคนอะไถ้าพงหมดใจให้เลยหมดใครผิวหน้าตาเป็นสาวสองพันปีก็ถ้า้งหมดใจให้ก็ให้ได้ให้ชาวแก๊ฟฟี่ ลับอยู่ในท้ำสามร้กว่าปีพวกเราจะให้ไก็ได้แล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้อีกหรือว่าใช้นารูดมีทรัพย์สินมหาศาลมีอํานาจยิ่งใหญ่พวกเราจะให้กลใหได้ไดังนี้ครับฝุลลอฮฺยุติมัยยะชากุลอินนารับบียับสุ ร, ริสคาริมัยชะชาวยยับดิดเวลากินอัครันนัสิลายะละมุนที่บอกว่าเป็นสัจธรรมที่บางทีน้าตาตกในคืออะไรครับแต่ถ้าว่าส่วนมากของมนุษย์นะเขาไม่รู้เขาไปยึดติดว่าถ้าเป็นสิ่งที่ดีมันแสดงว่าเขาเป็นคนดี ถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีสแสดงว่าเขาเป็นคนไม่ดีบางทีคิดแค่นี้หรือต้องบอกว่าบางทีคิดได้แค่นี้เนี่ยฉันได้เยอะเนี่ยว่ามลินทานุอิเดามาบัตลาหูรับผู้หุฟักครมามหูวันอาหูไสครูรับปีครามมันมนุษย์อย่างเวลาที่อัลลอฮ์ให้สิ่งที่ดีกับเขาให้ความโปรดปารากับเขาให้บอกว่าไงครับโอวิวิบานของฉันรักฉันวิวิบานของฉันให้เกียรติฉันใจบุญกับฉัน ว่มมาเมาาื่อใดแม้แ فقد ร على رISKO ไฟคูรั บ, บีอ่าหานั้นเวลาที่ a l l ให้ริสกีของเขาบัรหายไปอาจจะเจ๊งอาจจะเกิดความไม่สบายในร่างกายเขาจะบอกว่าไงรั บ, บีอ่าหานั้นทีบ้านของฉันแกลงฉันส่วนมากของมนุษย์นะเขาไม่รู้เขาไม่เข้าใจว่าอะไรแปลว่าบททดสอบเขาไม่เข้าใจว่าอะไรคือโลกดุลยาเขาไม่เข้าใจว่าอะไรคือการเป็นมุสลิมที่ยอมจำนนต่อกฎของพระเจ้า ขอโดยอาชาห์ขวารล้ออยาให้พวกเราเป็นหนึ่งในนั้นครับอามนเจ้าที่รักจริงครับเขได้สามความหม่แล้วคุณอาซ้งมานะครับว่าห้าแยกคัวคุณอาชัดเจนนะครับห้าแยกแหละเนี่ยผมไม่เคยรู้ว่าเป็นห้าแยกหนึ่งสสามสี่ห้าแหละโอเคครับถ้าเป็นงั้นก็ได้ในเป็นงั้นนะครับก็บารักอับรอฮัมกลุ่มครับเอากลับมาคุยกันต่อครับคุณฮับซอสลามมานะครับก็อัลกุลสลามอัุลลอห์บาราักาตุลครับผมตอนนี้เรารู้แล้วว่า ว่ฮาเดนาฮุนนัชเดนเสามารถอธิบายได้ถึง3ความหมายด้วยกันเราได้นาทางเขาสู่เนินทั้ง2ความหมายแรกก็คือเนินทั้ง2ที่เป็นเส้นทางธรมฮัตความหมายที่2ก็คือเนินทั้งสองสู่เต้านมของแม่พวามหมที่3าก็คือเนินแห่งความดีกับความชั่วอย่างที่ผมบอกครับถ้าเรามานั่งคิดมีเวลามานั่งคิดกับอายะกษ์กุฎามานั่งแตดับบุตรพี่น้องสุภานวะความงดงามของกุฎานมีเกินจินตนาการ ถ้าพี่น้องจะเอาความหมายไหนก็ตามในสามความหมายเนี่ยทั้งหมดจะกลับไปหาส่วนต้นต้นของซูล้อนนี้ทั้งสิ้นเลยความหมายไหนก็ตามกลับไปหาส่วนต้นของซูล้อนนี้ซูล้อลาอุกซิมูนนี่แหละอ่าเรามาทบทวนกันพี่น้องจําความหมายได้อยู่ไหมครับลาอุกซิมูบิฮาเซลบัลต์ฉันขอสาบานต่อเมืองนี้วันต่ใหลุมบิฮาเซลบัลต์แล้วเจ้านั้นมีความปลอดภัยในมือเมืองนี้ สองอายาแรกครับสอดคล้องกับความหมายฮาเดนยนฮุนเนชิเดนถ้าเราแปลว่าการนําทางสู่เนินทั้งสองสู่การทําฮัจจ์เราได้ทำให้ฮาเดียนฮุนเนชิเดนหลังจากที่เร า, เาบอกว่าขอสาบานต่อเมืองนี้ที่เจ้าอยู่อย่างปลอดภัยเราได้ให้คนมาทำฮัจจอย่างปลอดภัยด้วยกับเส้นทางหลักเนินหลักทั้งสองทางาเราฮาเดียนฮุนเนชิเดไดกลับไปหาสองอายาแรกแล้วถ้าพี่น้องจะเอาความหมายที่2คือ นมของมันดาถ้าเราดูความหมายนมของมัรดาพี่น้องมันจะกลับไปหาอายะที่สกับอายะที่สี่ว่าวาลีดิวว่ามาว่าแลเดะแล้วก็เดาอละก็นาอินซ์นาะฟิกบาตสุพานอัลลอฮฺฟุลลอฮฺบอยครับแล้วขอสาบานต่อผู้ให้กำเนิดแล้วผู้ถูกให้กำเนิดแน่นอนมนุษย์ถูกสร้างมาเพื่อเผชิญหน้ากับความยากลำบากพอเกิดมาปุ๊บจะกินนมง่ายได้ไหมต้องแสวงหา ต้องควานหาเต้าว่าเต้านมแม่อยู่ไหนต้องหารานนมต้องเอ่อต้องดูดเข้าไปแล้วก็ต้องให้นมออกมาต้องใช้ลิ้นดันต้องอะไรพึ่งคลอดมาก็ต้องเหนื่อยเลยแล้วก็จะขอรับการอินทรีย์นฟีเกบาทขอซาบานต่อผู้ให้กำเนิดผู้ถูกให้กําเนิดมนุษย์นั้นถูกสร้างมาอยากยากระบาดแล้วเราได้นําทางเขาสู่เนินทั้งสองหรือสู่เต้านมทั้งสองของมันดาแปลงนี้ความหมายชัดไหมชัดเจนชัดเจน จะแปลแบบแรกกลับไปหาสองอายะแรกแปลแบบสองกลับไปหาสองอายะถัดมาแปลแบบที่สามก็กลับไปหาสองสามอายะถัดมาเช่นเดียวกันคือถ้าเราแปลว่าเราได้ทําทางมนุษย์สู่หนทางให้เขารู้ว่าอะไรคือนทางที่ถูกต้องหนทางที่ผิดเรามาดูอยายะกราณ์ในยะที่ห้าถึงอายะที่เจ็ดพวกเคาบอกไงครับอย่าลืมอันเอ่อพวกเรากลับครับอายะสบุอ ah ันลยักดีเรอะไรที่อัพเดอายะสบุเขาคิดเลอว่า ไม่มีใครสามารถทำร้ายเขาได้คิดหรือว่าเราจัดการเขาไม่ได้เขาก่อนจะเกิดมาเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยเพราะเกิดมาอัลลอ์ให้เขารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเมื่ออัลลอฮ์เป็นผู้สอนให้เขารู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเขายังคิดอีกหรือว่าไม่มีใครสามารถจัดการเขาได้เวลาที่เขาเลือกทางเดินที่ชั่วร้ายความหมายชัดเจนไหม ส่วนตัวผมชัดเจนครับอายาสบุอัลลัยยักเดอ ล, กลออไลฮะอัตเยกูรุอัฮลักตุมาลลุบาดาเขายังมีหน้ามาพูดว่าฉันได้เผาผลาญทรัพย์สินไปอย่างมากมายพูดอย่างเยหญิ่งจองหองทั้งๆที่ตั้งแต่เกิดมาริสกี้แรกที่เขาได้หลังจากลืมตาดูโลกหลังจากที่ออกมาจากโลกคือนมมาดาที่ยวลอเตรียมให้ แล้วเขายังไม่น้ามาอวดอ้างว่าเขายิ่งใหญ่เขาล่ารวยเขามีเกียรติยศเขากินบริโภคมาทุกอย่างเขาไปเที่ยวมาสารพัดยังมีหน้ามาอวดอ้างแล้วยังไม่นึกสํานึงข อ, ขอบคุณต่อบรับเลยเลยออยาเซบุอัอลลัมยะารหูอาหัดเขาคิดเลอว่าจะไม่มีใครเห็นเขาทั้งทั้งที่เอาล้อเป็นผู้สร้างให้เขามีตาสองตาให้เขาไม่ลิ้นฝีปากให้เขามีลิน้นแล้วก็นําทางเขาสู่เนินทั้งสองทั้งๆ ท, ที่เขายังมองไม่เห็นเต้าหนมแม่ชัดชดที่สั้น ไปนั้นสุภาอัลลอฮครับอัลกุรอานพี่น้องถ้ามีเวลาแล้วเราได้ตะดับบูธกับอัลกุรอานแล้วจะพบว่ามีความงดงามแล้วมีฮิกมะมีสิ่งดีงามแค่อายะกุรอานในหนึ่งซัวเราเราจะพบว่ามีความสัมพันธ์กันในแต่ละอายะแล้วมีความงดงามแล้วยิ่งพี่น้องคิดมากเท่าไหร่จะเกิดว่าพี่น้องคิดถึงอัลลอฮ์มากขึ้นดีมานพี่น้องจะยิ่งมากขึ้นเราจะยิ่งรู้สึกสงบกับจุนยามากขึ้นนี่คือ ความดงดยามความหอมหวานความอริดอร่อยของผู้ที่ได้ไข้ควรอัลกุรอานพี่น้องไปบอกใครเขาไม่เข้าใจหรอกถ้าพี่น้องไปบอกใครก็ตามที่เขาไม่เคยมีโอกาสได้มาไข้ควรอัลกุรอานเขาไม่เข้าใจหรอกว่ า, าการไข้ควรอัลกุรอานเนี่ยมันเป็นเป็นความรู้สึกที่ว่าเกินบรรยายมันเป็นความรู้สึกดีขนาดไหนวะฮัดานะฮุนเดชิดเราได้นําทางเขาสู่เนินเขาทั้งสอง พี่น้องที่รักยิงครับอายะทั้งหมดน่ยที่ว่ามานะครับเมื่อพูดมันก็จะมาสอคล้องกับอพยาที่บอะเราบอกว่าอัลลอฮฺนาจักรัลลูอ้ายไลน์วลิสานาวะชัฟฟตัยน์วะฮัดอีนาห์นัดจัดน์แล้วมาให้เขามีตาสองข้างให้มี2อเล็บฟีปากให้มีหนึ่งลิ้นแล้วไม่ได้นำทางเขาสู่เดินทั้งสองกระนั้นเหลยถ้าพี่น้องมีโอกาสลองย้อนกลับไปดูอายะต้ น, ตน ก็จะสอดคล้องกับทั้งหมดที่พวงมาล ส, สุภะนวตาลาพูดในตอนนี้พี่น้องที่รักยิ่งครับอักุรานยิ่งถ้าเกิดว่าเราไขว่คว้นมากเท่าไหร่ครับอัลกุรานจะ อ, อธิบายกันและกันมันจะทําให้เราเห็นภาพเวลาที่เรานั่งคิดมิอกลับมานักคิดจะทำให้เราเห็นภาพหลายๆอย่างที่บางทีเรามองข้ามไปอายักุรานที่ผมอยากชวนคุยตอนนี้ครับในสุรฟุสิรัตอายัก์ที่สิบเก้าถึงยัก์ที่ยี วันเย็นอาานยานา่างเช่นวันที่15มีนาคม2564นี่คือวันที่พระองค์งทรงเสด็จมาที่นี่พระองค์รงเสดาที่นี่เพมาระอูดที่นี่พระองครงเสด็มาที่นี่พมาปทัอยู่ทเอมารทับอ่ี่พูดมาปรทับอยู่ที่นี่เพื่อมาประทังอากที่นี่เกพกู่มาปทับอยูที่นี่เพื่อมาประทัยกที่าประังจยูที่นี่เพื่รารทบอยที่นี่เพมารับอยูที่นีมาัที่นี้เพื่อมาูนี่เพาบูนไ่าปแล้ว เมื่อถึงเวลาโลกแน่เมื่อมีการสอบสวนเมื่อศัตรูของอัลลอฮ์ได้ถูกเอามารวมตัวกันศัตรูมารวมตัวกันน่ากลัวไหมบางคนบอกศัตรูคนเดียวกัน่นากลัวรวมกันไปนสุดไอ้น่ากลัวหรือเปล่าสําหรับอัลลอฮ์ไม่คนที่อ้างตัวเป็นศัตรูกับอัลลอฮ์เมื่อถึงเวลาโลกหน้าคือคนที่ต้องมีความสะพึงกลัวมากที่สุดแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับพวกเขาเนี่ย พวกเราบอกครับในวันนั้นที่พวกเราจะต้อนศัตรูของพวกเรามาต้อนลงไปในไฟนรกต้อนมาแบบเป็นแถวแถวแถวคืนลงไปแบบเป็นแถวพี่น้องลองคิดดูก็คือมาเป็นแถวแต่แล้วก็กวาดลงนระกกวาดกวาดกวาดกวาดในตอนนั้นน่ะการได้ยินของเขาการมองเห็นของเขาผิวหนังของเขาจะเป็นพยานเพื่อเอาผิด ต, ตัวของพวกเขาเอง สอดคล้องกับอายะห์ข้อน่เราพูดเหมือนกันตรงนี้เลยเอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างให้มีตานะเละแล้วไม่คิดเลยเหรอว่าอตาที่เราใช้ผิดๆเนี่ยถึงเวลาต่อหน้าอัลลอฮ์ในโลกหน้ามันจะไปฟ้องต่ออัลลอฮ์ว่าเขาใช้ตาฉันผิดเขาใช้ฉันในทางที่ผิดหรือริ้มฟีบปากกับลิ้นเนี่ยที่อัลลอฮ์สอนให้รู้วิธีปิดกับวิธีเปิดวิธีพูดกับวิธีเงียบเนี่ยคิดเลยว่าถึงเวลาโลกหน้าไอ้ที่เราอวดโลกนี้ไว้เยอะโลกหน้ามันจะไม่ทำร้ายเราเลยเพราะเราบอกไงครับเมื่อถึงเวลาเนี่ย คำพูดนะการได้ยินนะสิ่งที่มองเห็นนะผิวหนังนะทั้งหมดจะพูดบอกกับอัลลอฮฺว่าเจ้าตัวทําอะไรบ้างที่มันเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายชาวนารกกลุ่มนี้ทํำอะไรบ้างเจนกระทั่งเจ้าตัวบอกว่าไงครับพวกเขูริชูรูดิฮิมรีมาชฮิตตูมาลีนะพวกเขาเหล่านั้นให้เป็นพวกเขาเหล่านั้นนะไม่ใช่พวกเราละพวกเขาเหล่านั้นจะพูดกับผิวของพวกเขาว่าเฮ้ยทาไมมามามา มายืนยันในเรื่องที่จะเป็นอันตรายกับพวกเราหละทำไมมายืนยันในเรื่องอย่างนี้ละ่ะสิ่งต่างต่างเหล่านั้นครับจะบอกกับเจ้าตัวเขาว่าไงครับผู้ที่ทำให้เราพูดก็คือผู้ที่ทำให้ทุกสิ่งพูดได้นั่นแหละมายถึงอะ ตอนที่อยู่ในดุนยาเนี่ยลิ้นพูดได้ใช่ไหมก็ชอบอวดใช่ไหมชอบยกตนว่าเหนือกว่าคนอื่นใช่ไหมถึงเวลาโลกหน้าลิ้นก็จะให้อลัลลอฮ์ใช้ลิ้นเนี่ยพูดได้ว่าเราทำชั่วร้ายอะไรบ้างไม่ใช่แค่ลิ้นตาหูร่างกายผิวนั้นทุกอย่างวามากุนตุมเตส จะตีรู้์อัยชฮดอาเลยุมสามูกุมว่ลาอับซารุคุมว่ลาชูรุกุมว่ลาคินซาเลนตุมว่าอัลลอฮลายาลามกัสซีรับมีมาตาละมุนพเพระบอกเลยครับถึงเวลาเวลาที่พวกเขาเหล่านั้นทําความชื่วทุกอย่างเนี่ยเขาก็ไม่สามารถสั่นเล้นให้หลอดพ้นจากการรับรู้ของร่างกายเขาได้ถูกไหมครับคนเราจะไปทําซีนาร่างกายก็ต้องรับรู้ทําซีนามาจะไปดื่มเหล้าร่างกายก็รู้ว่าดื่มเหล้าคนทั้งโลกไม่รู้ร่างกายนะรู้ หรจะทําอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่เราลองแล้วบอกว่าไงครับพวกเขาไม่สามารถซ่อนเล้นความชั่วต่างๆจากร่างกายเขาได้แล้วถึงเวลาโลกหน้าร่างกายทั้งหมดนี่แหละจะไปยืนยันถึงความชั่วร้ายทั้งหมดที่เขาทําอันนี้คือผมขอแยกแปรรวมๆว่าใิกุมซันนุ ก, กุมเจ้าก็ทําได้แค่คิดหลอกตัวเองว่าถึงเวลาอัลลอฮ์คงไม่รู้หรอกว่าเราทําชั่วอะไรบ้างถึงเวลาก็อวดทําความดีก็อวดเยอะยิงยโส ไปอวดอ้างกับคนอื่นว่าฉันทำมาลีมาบ้างฉันบริโภคอะไรมาแล้วบ้างฉันเที่ยวอะไรมาแล้วบ้างฉันเป็นคนดีแค่ไหนฉันทําอะไรฉันเสียสละอะไรเพื่อเราบ้างถึงเวลาก็อวดแต่พรเราบอกเลยครับแล้วคิดว่าที่เราไม่อวดที่เราซ่อนไว้กลัวคนอื่นรู้เนี่ย Allah จะไม่รู้เลยว่าลิข um um um. um ุมจะนุขุมัลลัลลิจะเนตุมบิรับบิคุมอัรดะคุมฟาอัศบะตุมิลลัลข้าสินพระเราบอกว่า ไอ้ที่คิดหลอกตัวเองน่ะไอ้ความคิดนั่นแหละถึงเวลาที่มันจะเป็นเหตุให้พวกเขาต้องพบกับความตำใต้ตพบกับความอัปปายน์แล้วเขาก็เป็นอย่างในกลุ่มของผู้ที่ขาดทนฝาอินยัสบีรูฟันนารุมัสวัลละหุมว่อียัสต้าตาบุตเตสติบุฝ่มาหุมมินันโมตบินเอาด้วเลาม่ได้หัวเราะบอกว่าหากทนได้ก็ทนไปสิกไฟนรกอะหากทนได้ก็ทนไปสิ ชอบอวดอ้างชอบคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองแน่คิดว่าตัวเองไม่มีทางเจอสิ่งที่ไม่ดีใช่ไหมเพราะเราบอกว่าทนได้ก็ทนไปนรกเป็นบ้านปายของพวกเจ้าแล้วถ้าหากหวังความเมตตาพวกเจ้าก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับมันจากเลาพวกเจ้าไม่ได้ยอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ได้รับความเมตตาจากัเราก็นาอูซุบินไลมินซาลิกครับพี่น้ำทีิลาครับเราขอโดาจากโพลัสสุบาฮานุตาลาขอต่อพระองค์ให้อัลกุรอานนี้เป็น ทางนำแก่เราให้อัลกุรอานนี้เป็นสิ่งที่เ ย, ออยียวยาจิตใจเราให้อัลกุรอานนี้เป็นสิ่งที่ว่าช่วยทำให้เรานั้นดีขึ้นไปเถิดด้วยความเมตตาของ Allah ครับผมอาเมนครับอَกู و ل ُ ك َ ل ِ ه َา ذَلِكَ و َ ا س ลลَ ق ะลُ و ْ اللَّهَ لِيْ و َ ل ม ك ُ م ْ وَلِسَائِلِ م ُัْ ل ِ م ِ ي ن َ م ِ ن ْ ك ُ إ ن ه โ و ا ل ق َ ا ف ُ و ر رَحِيمُ سُبْحَانَكَ ا ل ل َّ ه م uh َ ا ل ح َ م ah ْ د ك َ أَشْهَدُ ل ل َّ ه إِلَهٌ ل َ ن َْ س أ َ س ْ ت َ ح ك ُ ل ك َ و َ ت ُ و َ ل ِ ك ج ِ ق َ ا ت ِ م َ ل ِ خ َ م ْ س َ و َ ب َ ع ْ ش ا ء ِ ن ل ّ ش َ أ ْ ن ََ لَمِنْ ت َ ع ْ ق ل َ قَبْسٍ س ل ا م ع ل ي ك م و ر ُ م ْ ة ُ اللَّهِ و َ م َ ر ك َ ا ت ُ ه ا